ซึ่งจะต้องไปเป็นน้อยเขาไม่ทราบว่าระดับที่เท่าไรนั้นจะถือว่าเป็นคนมีบุญได้อย่างไรคนสมัยปัจจุบันที่ได้ฟังเทศเรื่องพระมาลัยและเป็นนักคิดก็มักจะมีความรู้สึกดังที่กล่าวมาเนี้ยแม้แต่ข้าพเจ้าเองเมื่อก่อนมีความรู้สึกทำนองนี้เหมือนกันแต่ภายหลังที่ได้ศึกษาเรื่องนี้กับท่านครูบาสีวิชัยและเทวดาองค์อื่นๆอีกหลายองค์แล้วได้ทาให้เกิดความสว่างขึ้น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 ปัญญาของตนเองอยังไม่ถึงแต่ก็กล้าวินิจฉัยข้าพเจ้าได้มีความรู้สึกเกิดขึ้นเช่นนี้และต้องการที่จะคลายความรู้สึกของคนในสมัยปัจจุบันออกเสียบ้างจึงได้นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแต่ก็ขอให้เข้าใจว่าเท่าที่เขียนลงในหนังสือวิญญาณนี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยมากและขอเตือนว่าเมื่อรู้แล้วจงพยายามจากัดขอบเขตอย่าพยายามเดาหรือคาดคะเนให้กว้างเกินไป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 ซึ่งในขณะนี้เป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นกามาพจรและมีเทวดาองค์อื่นอีกบ้างองค์ช่วยตอบปัญหาเหล่านี้ด้วยเรื่องจึงค่อยกระจางขึ้นข้อแรกที่ท่านบอกมาก็คือพวกเทพบุตรที่มีนางฟ้าเป็นบริวารอย่างมากมายนั้นเป็นพวกเทวดาชั้นสูงเป็นเทวดาที่สมบูรณ์ด้วยฮิริโอต ป, ปะหรือความละอายเกรงกลัวต่อบาป และคุณธรรมต่างๆข้อความในคำภีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบุคคลใดสมบูรณ์ด้วยฮิริโอต ป, ปะตั้งมั่นอยู่ในกุศ ล, ลธรรมเป็นคนมีใจสงบเป็นผู้มีสัพ ป, ปริสธรรมปราดทั้งหลายย่อมกล่าวว่าเป็นผู้มีเทวธรรมท่านบอกว่าถ้าจะนึกถึงเทพบุตรที่ว่ามีนางฟ้าเป็นบริวารมากมายนั้น ก็ขอให้นึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าบทนี้เป็นหลักแล้วจะไม่สงสัยเลยถึงแม้พวกเทพธิดาหรือนางฟ้าทั้งหลายที่จะไปเป็นบริวารอยู่ร่วมกันมากๆเช่นนั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจสูงเช่นเดียวกันปัญหาที่ทำให้เราเห็นว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ก็เพราะไป น, นึกในแง่ของการเสพกามและการหึงหวงซึ่งในเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้กราบเรียนถามท่านเหมือนกัน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 อัน1ท่านครูบาศีวิชัยได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกเทพธิดาหรือพวกนางฟ้าทั้งหลายที่จะไปอยู่รวมเป็นบริวารของเทพบุาทองคไดนั้นก็ไปด้วยบุญบารมีและความสมัครใจของตนและเทพธิดาที่มาก่อนเขาก็เต็มใจที่จะต้อนรับเหมือนหนึ่งเทพธิดาที่มาใหม่นี้เป็นน้องของเขาเองหรือเป็นเพื่อนสนิทของเขาเองท่านบอกว่าไม่ควรจะคิดว่า เทพธิดาที่เป็นบริวารเหล่านี้เป็นภรรยาเพราะหน้าที่ระหว่างสามีกับภรรยาเหมือนอย่างในโลกมนุษย์นั้นไม่มีคนเหล่านี้อยู่ร่วมกันมีอุดมคติตรงกันมีความนึกคิดตรงกันมีพื้นจิตใจเหมือนกันในเมื่อแต่ละคนมีรูปร่างหน้าตาสวยทั้งนั้นมีคำพูดไพเราะมีเสียงหวานและมีความสามารถแต่ละอย่างเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างแต่ก็อยู่รวมกันได้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 อันหนึ่งท่านได้เตือนอีกว่าบรรดานางฟ้าทั้งหลายที่จะไปเป็นบริวารของเทพบุตรองคใดนั้นอย่าลืมว่าจะต้องมีบุญพอที่จะเข้าถึงหรืออย่างรู้บุญบารมีของเทพบุตรองค์นั้นเลื่อมใสในบุญบารมีของเทพบุตรองค์นั้นซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นไปตามกฎของกรรมอย่างตรงไปตรงมาดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลาย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 และแม้สิ่งที่อาจจะเห็นได้ในน้ำนั้นก็ไม่ใช่จะเห็นทั้งหมดเห็นแต่เพียงบางส่วนและแม้จะเห็นอยู่กับตาแล้วที่ไม่เข้าใจเลยก็มีอีกมากส่วนเตา่าถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่อยู่บนบกและในน้ำเห็นสิ่งต่างต่างทั้งบนบกและในน้ำมีความรู้มากกว่าปลาแต่เต่าก็ไม่ใช่สัตว์ที่ฉลาดฉะนั้นเมื่อเต่านาเอาเรื่องบนบกมาเล่าให้ปลาฟังทั้งที่เอาเรื่องจริงมาบอกแต่ปลาไม่ยอมเชื่อ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 เคยจำไหมหเธอเมื่อละฟันประจำทุกค่ำคืนแต่ฟันดีก็สมงวังแต่ผิดหวังก็ท้อรมนันกับภาพมายาที่เธอเห็นกับความจริงในโลกที่เธอเป็นมันคล้ายและต่างกันอย่างไรรู้สึกเหมืนไม่เคยมีเธออีกคน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 ลองของใจดีหรือไรซ่อนเอาไว้คงทำไม่ได้รู้สึกย่างไรตรดบทความจริงขึ้นมาไม่ใช่แค่เพียงภาพลวงตาอย่างนี้ทุกสุขใจสุขกายเหมือนกันในความฝัน